ม <_ Jean> ีนักธุรกิจคนหนึ่งนะชอบเล่นกอล์ฟแล้วก็เล่นกอล์ฟเก่งด้วยวันหนึ่งก็ชวนเพื่อนไปตีกอล์ฟด้วยกันและเพื่อความกิ่งลความสนุกกันหน่อยนะก็เลยมีการพนันกันนะใครชนะก็ได้เงินไปห้าร้อยบาทก็ไม่ได้มากอะไรนะแล้ว น, นักธุรกิจคนนี้แกก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ย ชนะแน่นอนเพราะว่าเพื่อนที่มาเล่นด้วยเนี่ยเพิ่งมาเล่นกอล์ฟได้ไม่นานแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยบอกว่าเพื่อนเขาเล่นได้ดีกว่าก็ได้คะแนนนำไปเรื่อยๆนอกจากเกย์คนนั้นเนี่ย นะก็ตั้งใจว่าเนี่ยเจ้าชนะให้ได้พอเพื่อนนำเนี่ยแกก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นมาแล้วด้วยความมุ่งมั่นนะที่เจ้าชนะก็เลยตีผิดตีถูกนะแล้วยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยก็ยิ่งตีผิดตีพลาดมากขึ้นส่วนเพื่อนนี่ก่อนนาเลยนะ ยิ่งใกล้ถึงหลุมสิบปานี่นักธุรกิจคนนี้ก็ตีผิดพลาดมากกว่าเดิมก็โมโหสุดท้ายนี่ก็แพ้เพื่อนเพื่อนก็ชนะไปตัวเองนี่ทั้งเสียหน้าทั้งโกรธนะทั้งโมโหที่ตีผิดตีพลาดตอนที่เขางสุดท้ายนี่พอ ดีพรานนี่นะโมโหมากนะเลยเอาไม้กอลฟเนี่ยฟาดหัวตัวเองนะเอาด้ามไม้กอลฟเนี่ยฟาดทําทไมต้องทำอย่างนั้นนะพเพราะโกรธกโกรธนี่มันก็ทำให้ลืมตัวนะจะเรียก ว, ว่าตอนนั้นขาดสติ ก, ก็ได้พอขาดสติเข้าก็ทําไงอ่ะเอาไม้เนี่ยเอาด้ามเอาด้ามไม้กอลฟนี่ฟาดหัวตัวเอง ถามว่าเจ็บไม่เจ็บนะแต่ทําไมถึงทำอย่างนั้นนะเพราะขาดสติปล่อยให้ความเสียหน้าแล้วก็ความโกรธนี่มันพร้อมงําใจเสียเงินไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้เสียสตินี่มันแย่เลยนะเพอเสียสติหรือขาดสติเมื่อไหร่มันก็ทําร้ายตัวเองหรือทําโทษตัวเอง แม้แต่รักตัวเองแค่ไหนนะแต่พอขาดสติแล้วก็สามารถทำโทษตัวเองได้ทั้งนั้นเลยจะมากหรือน้อยช่วงสองสมาธิผ่านมานี่ก็มีคนพูดถึงกันมากนะโดยเพพาะคนที่สนใจฟุตบอลเนี่ยเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มันมีนัดสาคัญนะ ฟุตบอลนัดสำคัญหรือว่าอ่าวันนั้นเขาเรียกว่าวันแดงเดือดเลยนะเพราะว่าทีมสีแดงเนี่ยคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนี่ดวลแข่งกันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนแพ้นเนี่ยถึงเจ็ดประตูนะลิเวอร์พูลนี่ชนะเจ็ดศูนย์คนก็เลยพูดถึงกันมากนะ อาตมานี่อยูอย่ไกลวงการฟุตบอลนี้ก็ยังได้ยินเรื่องนี้เลยไอ้ที่พูดนี่ก็มีทางการเย้ยหยันนะแฟนเรือผูกก็เย้ยหยันแฟนแมนยูแฟนแมน ย, นมนยูก็บ่นดา่าสุดท้ายแต่ว่าจะหาใครเป็นแพทระบบาปด่าโค้บ้างละ หรือว่าด่านักฟุตบอลในทีมบงตัวมั่งละหรือไม่ก็ทะเลาะ ก, กันกับแฟนของเลี้ยวภูเพราะถูกย่ามหน้าถูกย่ามเดียดแต่คนก็ไม่ค่อยได้ใครควรนะเออมันมันสอนอะไรเรานะจริงๆเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็เป็นทีมที่เก่งนะแล้วก็อันดับก็เหนือกว่าเลี้ยวภู แต่ทำไมเนี่ยนะถึงแพ้เรือพู่นี่ถึงเจ็ดศูนย์นะ่จริงเนี่ยตอนที่เริ่มแข่งเนี่ยก็ทีแมนยูนี่ก็เชื่อว่านี่จะเอาชนะเรือพู่ได้ไม่ยากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรือพู่นี่ฝีมือตกไปเยอะและสองทีมนี้ก็เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันแมนยูก็อยากจะมาชําระแค้น พอแพ้มาหลายครั้งแล้วและนี่เป็นโอกาสดีนะที่จะได้มาปราบเลือกภูนี่ถึงถิศเลยนะพ่อแมนยูนี่เป็นทีมเยือนนะมั่นใจมากว่าชนะแน่แต่พอเล่นไปเล่นไปปรากฏว่ามันไม่ไง่ายอที่คิดนะพอาะเลือกภูก็เล่นได้ดีและพอแพ้เนี่ยพอพลาดเป็นหนึ่งประตูเนี่ย อที่แมนยูนี่ก็ที่เขาว่านะตมาก็ไม่ได้ดูหรอกก็เริ่มหวั่นไหวแล้วแล้วพอเสียประตูที่สองก็เริ่มดวนแล้วทาให้เสียประตูที่สามตอนนี้เนี่ยนะจะเรียกว่าขาดสติกันเลยนะเพรดวนมากนะไม่คิดว่าจะถูกยิงมากขนาดนี้พอหวั่นไหวแล้วก็เริ่มจะขาดสติ ก็เล่นผิดเล่นพลาดกันมากขึ้นท้ายนี้ก็โดนทีมเรือพูยิงไปอีกนะสี่ประตูนะนับเป็นการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เลยนะครั้งประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าไม่ได้ถูกยิงมาเจ็ดประตูนีม้มาเก้าสิบกว่าปีแล้วเก่งแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดว่าขาดสติแล้วเนี่ย มันก็หมดสภาพเลยนะไม่เหลือฟอร์มเลยที่จริงตอนที่แพ้สามศูนยเนี่ยตอนที่ถูกยิงไปสามประตูนี่ถ้าตั้งสติดีๆนะใจสู้นะก็ยจะสามารถจะตีคืนได้เพอๆ อ, อ, อาจจะชนะด้วยนะอาจจะยิงได้อีกสี่ประตูอย่างที่ล้วพูนี่เคยโดนยิงไปแล้วนะาสามประตูแต่แล้วพอครึ่งหลังก็สามารถจะแก้คืนได้อีกสามประตู แก้คืนได้สามประตูเป็นเสมอนี่เพราะว่าตั้งสติดีนะไม่เอาความผิดพลาดที่ผ่านมาในครึ่งแรกเนี่ยมารบกวนจิตใจถ้าว่าคนเนี่ยนะเวลาเจอเอการแบบนี้แล้วเนี่ยพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันไอ้ที่พลาดไปแล้วก็ลืมไปไปก่อน ทำปัจจุบันทห้ดีที่สุดเนี่ยก็สามารถจะนำเอาประสบการณ์แล้วก็ความสามารถที่มีเนี่ยมาใช้ได้อย่างเต็มที่แต่พอไปนึกถึงว่าเนี่ยโอ้เราเสียไปต้องสามประตูแล้วเนี่ยเสียหน้ามากก็เริ่มขาดความมั่นใจเริ่มตื่นตระหนกนะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วพอไม่อยู่กับปัจจุบัน มันก็เล่นผิดเล่นพลาดมันก็ทําให้ยิ่งเสียประตูมากขึ้นคนที่เล่นกีฬาเนี่ยอย่างพวกเล่นเทนนิสพวกเนี่ยเขาก็เตือนกันไปเลยเนะว่ามันเวลาตีผิดตีพลาดนี่ทิ้งมันไปเลยอย่าไปสนใจให้อยู่กับปัจจุบันพอในงานเนี่ยถ้าไปกังวลถ้าไปพะวงหรือไปนึกถึงความผิดพลาดในไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่มันจะขวัญเสียมันจะ เกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ทำให้ความสามารถที่มีเนี่ยไรประโยชน์เลยยิ่งเล่งก็ยิ่งทำโทษตัวเองคือเสียคะแนนไปเรื่อยๆนี่มันสอนใจเราได้ดีนะถึงแม่จะไม่ได้สนใจฟุตบอลเนี่ยว่าถ้าหากว่าแม่จะมีความสามารถแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าไม่มีสติขาดสติแล้วมันก็ลงโทษตัวเอง อย่างบราซิลเนี่ยเมือ่อแข่งฟุตบอลโลกเมื่อเจ็ดปีแปดปีที่แล้วนี่เล่นสนามในเล่นในบ้านาตัวเองแทนนะแพ้เยอรมันถึง 7, เจ็ดหนึ่งนะซึ่งมันเป็นสกอร์ที่เรียกว่าไม่มีใครคาดคิดนะแพ้ขาบ้านขนาดนั้นเนี่ยเป็นที่อับอายจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะก็คือเล่นไปเล่นไปก็พอแพ้ก็เริ่มรวนขาดสติ พอขาดสติมันก็เล่นผิดเล่นพลาดปนปวน่วนโทษกันไปโทษกันมานะมันก็เลยยิ่งเป็นจุดน อ, อนให้อีกฝ่ายหนึ่งนะเล่นงานนะจนเรียกว่าเสียหายกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ดำมืดไปเลยแม้ค น, นเราเนี่ยทำอะไรก็ตามเนี่ยแม้จะมีความสามารถแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสติเพราะถ้าขาดสติแล้วนี่มันก็กลายเป็นการลงโทษตัวเอง ไม่ใช่แค่อาจจะลงโทษทางกายหรือลงโทษทางใจนะอย่างที่ฟุตบอล น, นะฮเมื่อสามสี่วันก่อนที่มันมันได้สอนเรา